นี้ต่อไปว่าส่วนจิตตสมุธานนะครับหมายความว่าจิตรูปที่เกิดจากจิตมีวิถีเดียวกันมีสมาบัติเดียวกันเป็นสมุธานชื่อว่าปัจจุบันก่อนแต่นั้นเป็นอดีตหลังจากนั้นเป็นอนาคตนะครับยกตัวอย่างนะเช่นจิตวิถีเดียวกันหรื อ, อที่อื่นนะจะอธิบายมีคุณอันเดียวกันเช่นนะครับมีศรัทธาต่อเนื่องนะครับจิตตสมุธานเป็นต้นที่มีศรัทธาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเท่ากับหนึ่ง หนึ่สันตติอยางนี้นะถ้า เ, าเวทนาเช่นคนร้องไห้นะครับจิตจะรูปที่เป็นไปกับโทสะอันนั้นเนี่ยนะหนึ่งโทสะเนี่ยนะที่มันยาวเนื่องอันนั้นห น, นึ่งสมุทฐานนะันะหลังครับหนึ 1, 3, ่งสันตติหรือบางคนเนี่ยถ้าถ้าจะว่าโดยสลับนะเช่นสุขกับทุกข์อุเบกขาเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นขณะที่สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ขณะที่ทุกข์ก็ไม่ใช่อุเบกขาขณะที่อุเบกขาก็ไม่ใช่ดีใจขณะที่ดีใจก็ไม่ใช่เสียใจเป็นต้นเนี่ยนะครับ ขณะที่จิตนั้นนั้นเกิดพร้อมกับเวทนานั้นก็จะทําจิตต่ชรูปออกมาหนึ่งสันตตินะครับหลังจากนั้นก็สันตติหลังๆไปอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับเช่นขณะดีใจก็เฮ้ยดีใจเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งสันตติเหมงอนกันเถอะก่อนที่จะมาดีใจนั้นเป็นอดีตหลังดีใจไปแล้วเป็นอนาคตไปหรือขณะที่เฉยๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเฉยๆเนี่ยเป็นอดีตหลังจากเฉยๆก็เป็นอนาคตกําลังเฉยๆอยู่นั่นแหละเป็น ปัจจุบันนะครับให้เห็นถึงความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยจิตตะสมุทฐานนะครับหรือเช่นผู้ที่เข้าสมาบัตินะครับเช่นเข้าสมาบัติ1วันเลยนะครับเท่ากัน1สัน ต, ติเลยทั้งวันนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังจากออกจากสมาบัตินั้นเป็นอนาคตนะครับลักษณะ น, นี้นี่จิตเป็นสมุทฐานสําหรับรูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานนะครับเฉพาะอย่างด้วยสา ม, มารถแห่งสัน ต, ตินะครับ คือเพิงพ่งทราบว่าเช่นตาก็หนึ่งสันตติเอางไงตาก็สันตติของตาไปนะครับอาจจะถ้ากรรมสมุทฐานนะหูก็สันตติของหูไปจมูกก็สันตติของจมูกไปลิ้นก็สันตติของลิ้นไปกายก็สันตติของกายไปหัตยะก็ของหัตยะไปชีวิตตินทรียก็ของชีวิตภาวะรูปของภาวะรูปแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละสันตติเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปตรงนี้มันก็ต้องเหมือนกับอริธรรมเลยครับเป็นอนุขณะ่องจิตอ๋อตรงนี้ไม่เ น, น้นอนุขณะนะครับ สันติว่ายังไงครขณะที่ตากําลังเห็นก็อ๋อไม่ใช่ครับหมายความว่าสืบเนื่องของจักรคูตั้งกระเกิดไปจนตายนะครับหนึ่งสืบเนื่องเหรนี่แต่ทีนี้ท่านอธิบายอย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัวกรรมชรูปเนี่ยนะมันเป็นตัวรูปที่ไปอุปธรรมอาหารชรูปจิตตชรูปและอุตูชรูปแล้วในขณะเดียวกันอาหารชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปก็เป็นตัวอุปธรรมกรรมชรูปเหล่านี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นสันติเขาสืบเนื่องไปแต่ถ้าไม่สืบเนื่องเมื่อไหร่เสียแล้วนะครับเช่นถ้า ตาเนี่ยนะครับถ้าไปขาดอาหารบางอย่างนะทำให้ให้ขาดการสืบเนื่องเนี่ยตาบอดเลยนะครับนะครับทำให้ขาดการต่อสืบเนื่องนะหูก็เหมือนกันนะครับจมูกก็เหมือนกันถ้าทํางานขาดการสืบเนื่องก็เสียหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหปลาท่าีตีพังคะเนี่ยสืบเนื่องไปอย่างเงี้ยายาวๆลักษณะนี้เรียก1สันตตินะครับแต่ท่านก็ไม่ได้แบ่งว่ามันกี่ชั่วโมงจึงจะเรียก1สันตติของจักหกเป็นต้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อธิบาย ทีนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าตัวกรรมชรูปทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวอุปธรรมสมุทฐานสามสมุทฐานสก็เป็นตัวมาอุปธรรมกรรมชรูปเพราะฉะนั้นชีวิตร่างกายเนี่ยนะครับจึงดําเนินไปในลักษณะนี้ตามอายุไขไปนะครับตามอายุไขไปอันนี้เรียกว่าสัน ต, ตินะครับนี่เรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังจากนั้นเป็นอนาคตเนี่ยนะเรียกว่าโดยสัน ต, ติ วิปัสนาเนี่ยนะครับในชั้นต้นเนี่ยพิจารณาโดยอัฏฐาเน้นอัฏฐาก่อนหลังจากนั้นจึงมาเน้นสันตติสัน ต, ติก็ตามสมุทฐานนะครับเอาตามสมุทฐานเช่นกรรมสมุทฐานจิตตสมุทฐานอุตุสมุทฐานและอาหารสมุทฐานาทีนี้พอมาพูดถึงสมัยบ้างแต่ด้วยอำนาจสมัยรูปทั้งหลายที่กําลังเป็นไปอยู่สามารถแห่งการสืบต่อในสมัยต่างๆเช่นครู่เดียวเช้าเดียวเย็นเดียวคืนเดียววันเดียวชื่อว่า ปัจจุบันในสมัย huh. นั้นนก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตเช่นปัจจุบันกําลังฟังธรรมอยู่ก่อนฟังธรรมนี่ชื่อว่าอดีตหลังจากฟังธรรมไปแล้วชื่อว่าอนาคตนะครับเช่นเช้าเนี่ยนะครับก่อนที่จะเช้านี่เป็นอดีตเที่ยงไปแล้วเป็นอนาคตนะครับกำลังช่วงเช้านี่เรียกว่าเป็นปัจจุบันนะครับหรือว่าชั่วโมงเนี่ยเป็นปัจจุบันชั่วโมงก่อนนี่เป็นอดีตชั่วโมงหลังเป็นอนาคตนี่นะครับ หรือถ้ากำลังพูดคุยกันอยู่นะกำลังพูดคุยนี่แหละเป็นปัจจุบันเ น, เนี่ยแบบพูดแบบสมัยหรือแบบยามนะครับเอาชั่วโมงเป็นต้นมาวัด น, นนะนีส่วนนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคือถ้ายังเป็นไปในอุปาทะทิฏฐิพังข้าเป็นปัจจุบันก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตอันนี้เรียกว่าด้วยอํานาจขณะนะแต่บางแห่งเนี่ยอธิบายด้วยอํานาจสันตติด้วยนะครับนามธรรมาเช่น เวทนาเดียวกันเนี่ยนะครับเช่นเวทนาเดียวกันก็คือหนึ่งสันตินะครับถ้าเวทนาเดียวกันเนี่ยนะครับเช่นเสียใจ1เสียใจก็หนึ่งสันตติดี1ดีใจก็หนึ่งสันติเป็นต้นนั้นนะลักษณะนี้นะครับก็สันตติของเวทนาทั้งหลายนะครับดีใจเสียใจเป็นต้น่ะนะดีใจอันนั้นก็1สันติไปเสียใจก็หนึ่งสันติไปอะไรไปลักษณะนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ทํากิจคือหน้าที่นะครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยผ่านไปแล้วชื่อว่าเป็นอดีตหมายคถาว่าธรรมะเนี่ยนะครับอาศัยเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นอ่ะเนี่ที่หมดไปในอดีตหมดแล้วเนี e. abeth, หยหรือว่าอดีตธรรมะทั้งหลายที่ทําหน้าที่เป็นเหตุกิจสําเร็จแล้วแต่ว่าทําหน้าที่เป็นปัจจัยยังไม่สําเร็จนะครับคือโดยสภาพว่เขาหมดแล้วแต่เขายังให้เป็นปัจจัยให้อยู่นะครับ ยังเป็นปัจจัยให้อะไรอสียงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อันนี้ก็เรียกว่าปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นเป็นอนาคตนะครับอันนี้ในหนึ่งะครับแต่ก็ในยะนี้ก็นับว่าลึกซึ้งนะครับคือเข้าใจยากนะครับในขณะแห่งกิจของตนนะครับคือขณะที่แต่ละอย่างเกิดขึ้นทํากิจของตนชื่อว่าปัจจุบันก่อนแต่นั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตในบรรดาการละทั้ง4ี่เนี่ยนะครับคืออัธยาสันงติขณะ สมัยนี่นะครับการกล่าวถึงขณะเท่านั้นเป็นการพูดแบบตรงๆนะครับที่เหลือเป็นการพูดโดยอ้อมอะนะเพราะว่าสภาวะที่เป็นจริงของปรามา ก, ก็อุป า, าทถีติพังค่าสืบเนื่องกันไปด้วยว่าขึ้นชื่อว่าความแตกต่างกันแห่งการมีอดีตเป็นต้นมีสําหรับธรรมะทั้งหลายไม่มีสําหรับกาละคือหมายความว่าธรรมะที่มันหมดไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าอดีตธรรมะที่ยังไม่หมดไปเรียกปัจจุบันที่ยังไม่เกิดเรียกว่าอนาคต อันนี้มีสําหรับสภาวะธรรมทั้งหลายแต่บัญญัติที่เป็นอดีตนาคตไม่มีเพราะบัญญัตินี่นะครับเป็นกาลวิมุติสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นไปในการสาม <c oughs> สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นไปในการสามแต่เวลาหรือบัญญัตินี้เป็นกาลวิมุติพ้นการนะครับนิพพ า, านก็พ้นการนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ากาละโดยประมาทถึงจะไม่มีเพราะหมายเอาธรรมะที่เป็นอดีต เป็นต้นมีประเภทในที่นี้พึงทราบ ว, ว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าอตติโตโดยโวหารนั่นเองคือแสดงไว้โดยบัญญัตินะนะเอาบัญญัตินะครับเป็นเครื่องอธิบายปรมัตญธรรมเหล่านั้นๆนะครับเพึงทราบวินิจฉัย ใ, ในบทว่าอักเขยะสัญญโนดังต่อไปนี้คําพูดนะครับชื่อว่าอักเขยะอันเขาพูดคือกล่าวไ ด, ได้แก่ให้ผู้อื่นรู้หมายถึงบัญญัตินี่นะครับคือกระถาวถัตถุโดยเนื้อความได้แก่เบญจขันมีรูปเป็นต้นนะครับ คำว่าคำพูดกันเนี่ยพูดถึงอะไรครับคือขันห้านั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องขันห้าพูดถึงขันห้าเป็นต้นนั่นแหละสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลพึงกล่าวกระถาปรารบอตีตอัฏฐาบ้างกล่าวปรารบอนาคตาอัฏฐาบ้างกล่าวปราลบปัจจุบันนอัฏฐาบ้างดังนี้อันหนึ่งในข้อนี้พึงแสดงเนื้อความแม้ด้วยสูตรที่กล่าวถึงคลองแห่งนิรุติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย รูปใดที่เป็นอดีตได้ดับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการกล่าวถึงรูปนั้นได้ว่าได้มีแล้วมีการร้องเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วมีการบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วอันนี้ลักษณะของอดีตนะครับคือมันแล้วอ่ะนะมันแล้วไปแล้วอ่ะลักษณะเนี่ยแล้วไปแล้วคือมันหมดไปแล้วอ่ะไม่ใช่การกล่าวรูปนั้นว่าจักมีไอ้ของที่หมดแล้วไม่ใช่มันจักมีนะต่อไปนะเพราะมันหมดไปแล้วอ่ะ ไม่ใช่จักกล่าวรูปนั้นว่ากำลังมีคือปฏิเสธปัจจุบันนะครับนะย่ย่อมจะเนี่ยลักษณะของปัจจุบันนะครับถ้าจักเนี่ยอนาคตแล้วเนี่ยบ่งถึงอดีตนะครับถ้าสำเนนบาลีเขาผู้มีความสำคัญหมายในเรื่องที่จะต้องกล่าวถึงด้วยสามารถแห่งความสำคัญหมายในขันทัปปัญจกะนะเวลาพูดก็ส่วนใหญ่ก็พูดถึงขันท่าน่แหละครับแต่ว่ า, าพูดถึงขันท่า โดยที่มีบัญญัตินี่นะครับเป็นเข้าเรื่องนะนะกล่าวถึงเรื่องที่จะต้องกล่าวโดยเป็นคาถาวัตถุโดยในที่เป็นไปแล้วโดยนายเมียที่ว่าเราใช่ไหมที่จริงก็เป็นขันห้านะแล้วมาบรรยายว่าเราของเราเทวดามนุษย์หญิงและชายด้วยประการดังกล่าวแล้วอธิบายว่าเป็นผู้มีความสําคัญในอุปาทานขันทั้งห้าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นนะครับเป็นหญิงเป็นชายเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยนะ สัตทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในสิ่งที่จะต้องพูดถึงด้วยสามารถแห่งการยึดถือด้วยตันหาและทิถิเวลาพูดถึงขันห้าเหล่านั้นก็พูดด้วยว่าเราว่าของเราเนี่ยนะด้วยตันหาและทิถิเป็นต้นสัดส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งตั้งอยู่แล้วด้วยอาการแปดสมมตินะเวลาพูดถึงอะไรนะจะพูดด้วยอาการแปดหรือว่าตั้งอยู่ด้วยอาการแปดถามว่าอาการแปดคืออะไรบ้างหนึ่ง ถ้าผู้ที่กำหนดแล้วก็ดำรงอยู่แล้วด้วยสา ม, มารถแห่งราคะหมายความว่าชอบใจในสิ่งใดก็พูดด้วยอำนาจโลภะเนี่ยนะครับพูดถึงสิ่งนั้นนั้นด้วยอำนาจโลภะแต่ถ้าคนอันโทสะประทุสร้ายแล้วถ้ากำลังกโกรธอยู่นะดำรงอยู่แล้วด้วยสา ม, มารถแห่งโทสะพราะมีโทสะก็พูดถึงไปเรื่อยในสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าพูดหลงแล้วนะครับคือผู้มีโมหะครอบงำเนี่ยนะครับก็ดำรงอยู่ด้วยสา ม, มารถแห่งโมหะพราะมีโมหะแล้วก็พูดถึงสิ่งนั้นๆไป หรือว่าผู้ถูกทิฐิจับต้องแล้วนะครับถูกทิฏฐิท่วมทับเน่ยนะนะก็เป็นผู้ดํารงอยู่ด้วยควาสา ม, มารถแห่งทิฐิตั้งอยู่บนทิฐิก็พูดไปด้วยอํานาจของทิฐิไปนะครับผู้มีกิเลสแรงกล้าดํารงอยู่แล้วก็ตั้งด้วยควาสา ม, มารถแห่งอนุสัยนะครับอนุสัยเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังถูกกิเลสมันท่วมทับครอบงําอยู่ก็พูดเป็นต้นด้วยอํานาจของอนุสัยทั้งหลาย หรือผู้ที่ถูกกิเลสรัดรึงไว้นะครับก็ดํารงอยู่ด้วยสามารถแห่งมานะมานะมันตั้งขึ้นแล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆไปนะครับพูดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือผู้ที่ตกลงใจไม่ได้นะครับลังเลสงสัยเหลือเกินก็ดํารงอยู่ในวิจิกิจฉาแล้วก็พูดถึงสิ่งต่างๆไปหรือว่าผู้ที่ฟุ้งซ่านนะครับอุทจักําลังกําเริบเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ดํารงอยู่แล้วด้วยสามารถแห่งอุทัจักนะครับขออนุ ญ, ญาตครับ คนที่ชอบถ่อมตัวเนี่จะว่าไปมันก็เป็นการพูดด้วยมานะนะฮะ<ช>เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์คือก็ไม่แน่เสมอไปนะครับแต่ถ้าบางแต่ถ้าเป็นแบบโลกโลกส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของมานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับคือมานะถ้าสําคัญว่ายิ่งกว่าคนอื่นมันไม่น่ารักอล่างนั<ช>้นแต่ถ้ามานะแบบสําคัญว่าต่ํากว่าคนอื่นเนี่ยนะครับ อ, อันนี้ดูน่ารักดีอันนี้แบบโลกโลกะนะครับครับ คือไอท้ที่ที่อวดตัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าเออมันมานะชัดเจนนะฮะแต่ไอ้การถ่อมตัวเนี่ ย, ย, ย, ยชาวโลกเขาเขาชมเชยกันเนี่อันนี้ก็เป็นมานะอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จริงนั้นอาการถ่อมบางอย่างก็เพื่อที่จะให้มันสูงนะครัที่จริงก็เรียกว่าย่อตัวเพื่อจะกระโดดสูงอะนะคล้ายๆแบบนั้นนะะมันก็ยังไงทําให้นึกถึงยกตัวอย่างนะ้นโอ้โหเราเนี่ยนะมันเรียนสูงกว่าเพื่อนเลย จบชั้นโน้นชั้นนี่มาอันนี้ก็มานะที่สําคัญว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นนะเฮ้ยพวกนี้ก็รู้พอๆกับเราหมดแหละอันนี้ก็มานะว่าเสมอกันอุย้ยมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นน่ะโง่อยู่ผมคนเดียวอันนี้ก็มานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมารณที่สําคัญว่าต่ํากว่าเขาอ่ะนะสรุปแล้วมานะหมดนะครับจะเปรียบในลักษณะไหนล่ ะ, ะ ค, คือเอางี้เอาแต่ทางข้าประหารก่อนนะครับ เอางี้นะว่าอะไรครับเป็นเครื่องเปรียบด้วยมานะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะถ้าพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบนะครับผู้ที่จะเปรียบก็เอาร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องเปรียบเอาความรู้สึกนี่แหละเป็นเครื่องเปรียบเอาความรู้เป็นต้นนะครับเป็นเครื่องเปรียบเอาชาติกูนั่นแหละเป็นเครื่องเปรียบถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะนะจะเปรียบทําอะไรนะ อย่างเช่นผู้ที่สำคัญในกายของตนแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจครับเพราะฉะนั้นจะเปรียบอะไรสักอย่างก็นึกถึงพุทธพจน์อันนี้ก็ได้นะครับว่าคนไม่เห็นอริยสัจท่านน่ะที่เอามาเปรียบพวกนี้นะบทว่าอักเอยยังอปริญญายะ นะครับคือที่พูดไปทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะไม่รู้สิ่งที่จะต้องพูดถึงนั้นในธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามด้วยปริญญาทั้งสามได้แก่เหตุที่ไม่รู้สิ่งนั้นคือไม่เคยทำปริญญาในสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับไม่เคยทำยาตะปริญญาในขันห้าไรสักขันเลยลักษณะนเนี่ยก็พูดไปด้วยอำนาจกิเลส8ประการที่กล่าวไปแล้วคือราคะโทสะโมหะทิฐิอนุสัยมานะวิจิกิชาและก็อุทะจนะครับ บทว่าโยคะมายันติมัจจุโนความว่าเข้าถึงเครื่องประกอบคือข่ายของมรณะคือเครื่องผูกสัตว์ไว้กับด้วยมรณะนั้นอธิบายว่าไม่พลากจากกันอีกอย่างหนึ่งบทว่าโยค่าได้แก่อุบายท่านอธิบายไว้ว่าสาตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงข่ายคือความพินาศและข่ายคือกิเลสอันเป็นที่ตั้งแห่งมานและเสนามารที่ดักไว้เึ่งไว้ด้วยอุบายสมจริงดังคําที่ตรัสไว้ในในครับในครับ พัตเถกรสูตรว่าเพราะความพัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนามมากย่อมไม่มีเลยดังนี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงวัตตะด้วยพระพุทธพจน์มีประมาณเท่านี้แล้วนะครับพุทธพจน์มีประมาณเท่านี้ที่ว่างไงครับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความสําคัญในสิ่งที่พูดกันตั้งอยู่เฉพาะแล้วในสิ่งที่พูดกันย่อมเข้าถึงข่ายคือความชีพหายและขายคือเครื่องประกอบของมัจจุเพราะไม่กําหนดรู้เรื่องที่ พูดกันนะครับสรุปนคืออะไรครับก็ชีวิตของปุตุชนทั้งหลายที่เห็นเห น, นี่แหละครับอย่างสูตรนี้ว่าเป๊ะเลยนะครับบอกเอ้สูตรนี้เอาอะไรมาเป็นตัวอย่างก็เอาคนทั้งหลายเนี่ยะครับมาเป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่สำเร็จแล้วละ่ะคือพระขีนาศพย่อมไม่สำคัญผู้บงการเพราะกำหนดรู้เรื่องที่พูดกันเพราะท่านถูกต้อง วิโมกคือนิพานด้วยอริยมรรคคือใจเนี่ยใจที่เป็นปกายอริยมรรคนะท่านถูกต้องสันติบทอันยอดเยี่ยมพระขีณาสพนั้นแลพูดถึงพร้อมแล้วด้วยเรื่องที่พูดกันนะครับคือไม่มีวิปลาสในเรื่องที่พูดกันในขันห้าอะไรสักอย่างนะพู้ระงับแล้วยินดีแล้วในสันติบทคือพระนิพานพิจารณาและมีปกติเสพปัจจัยสีเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในธรรมะพูดถึงฝั่งแห่งเวทคือสัจจะสีย่อมไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นมนุษย์และเทวดา นะครับ อ, น, อนตกถาอธิบายว่าจะสับจะสับนี้เป็นพยติเรกะนะครับแปลกออกไปเพราะถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังคุณวิเศษที่พึงได้ด้วยการกำหนดรู้สิ่งที่กล่าวคือสิ่งที่กำลังตรัสอยู่ถึงฉะนั้นแหละให้แจ่มแจ้งด้วยจะสับนะครับคือให้เห็นถึงว่าผู้ที่เขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างคือเขาทาปริญญาอย่างไรบทว่าปริญญายะความว่า เพราะกําหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ด้วยมัคคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปั ส, สนาคือเพราะก้าวล่วงทุกข์นั้นด้วยการละกิเลสเนื่องด้วยทุกข์นั้นหรือเพราะยังกิจแห่งปริญญา3าให้ถึงที่สุดนะครับคือถ้าจะพ้นจากทุกข์เนี่ยก็ต้องกําหนดรู้กิเลสนะครับที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้ากําหนดรู้กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จับพ้นทุกข์เพราะละกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนะครับก็เหมือนกับไฟนะมันต้องปิดที่ สวิตเป็นต้นเนี่ยนะครับจึงจะปิดได้นะลักษณะนั้นนะนีกิเลสเนี่ยก็เหมือนกับสมุทาเนี่ยนะลักษณะนั้นนะครับบทว่าอักขาตารังนัมัญติความว่าพระขีณาสพเชื่อว่าไม่มีความสำคัญว่ามีผู้บงการเพราะละความสำคัญแล้วโดยประการทั้งปวงอธิบายว่าไม่เชื่ออะไรอะไร ที่เป็นสภาวะมีผู้สร้างเป็นต้นว่าเป็นอัตาคือไม่ได้สำคัญในขันห้าว่าเป็นอาัตราเลยแล้วก็ไม่ได้สำคัญว่าอัตาเนี่ยมีใครมาสร้างนะครับเพราะว่า ท่านไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตราเลยท่านเห็นว่าเป็นอะไรเห็นว่าเป็นขันห้าแล้วขันห้าเราเนี่เกิดจากอะไรเกิดจากตันหาอวิชชาเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงปฏิบัติเพื่อสำรอกตันหาและอวิชชาเป็นต้นถ้าหากว่าท่านปฏิบัติเพื่อสำรอกตันหาอวิชชาเป็นต้นแล้วก็ไม่มีขันห้าอันใหม่ที่จะเกิดต่อไปซึ่งเป็นผลพวงของอวิชชาและตัหาเลยบทว่าพุทโธวิโมกขมนัสสาสันติปทมนุตรังความว่า เพราะเหตุที่พระนีนาศบถูกต้องแล้วคือต้องแล้วได้แก่ถึงธรรมะคือพระนิพพานที่ได้นามว่ามิโมกเพราะพ้นจากสังคตธรรมทุกอย่างและได้นามว่าสันติบทเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความสงบระงับความเร่าร้อนอันเกิดแต่กิเลสทั้งมวลฉะนั้นท่านจึงไม่สําคัญมั่นหมายว่ามีผู้บงการคือไม่ได้สําคัญลัทธิสายพระเจ้าเป็นต้นอะไรเลยแม้สักอย่างเดียวนะครับเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขันตรัส การบรรลุทุกขศาสตร์ด้วยปริญญากิจนะครับทรงบรรลุสมุทั ย, ยศัตร์ด้วยปหาณกิจบัดนี้ตรัสถึงการบรรลุมรด้วยภาวนากริจและนิโรธด้วยสัจฉิกิริยากิจจึงตรัสว่าพุดโถวิโมกข ม, ม, น ม, มนัสสะสันติปัทมนุตระังถูกต้องวิโมกด้วยใจท่านถูกต้องสันติบทอันยอดเยี่ยมนะครับในคํานั้นเมียที่บายว่า อริยมรรคชื่อว่าวิโมกเพราะพ้นจากกิเลสทั้งมวลด้วยความสามารถแห่งการตัดขาดคือสมุทเฉทปหารก็วิโมกนั้นท่านถูกต้องแล้วคือสัมผัสแล้วได้แก่การเจริญแล้วด้วยมรรคกิจด้วยเหตุนั้นพระนิพพานจึงเรียกว่าสันติบทอันยอดเยี่ยมเป็นอันท่านถูกแต่งแล้วคือสัมผัสแล้วได้แก่ทําให้แจ้งแล้วคือท่านเจริญอริยมรรคนะครับแทงตลอดพระนิพพานเรียบร้อยแล้วนะผ่าทหารเนี่ย บทว่าอากังเขยสัมปันโนความว่าผู้หลุดพ้นดีแล้วจากอักเขยนิมิตนั้นเพราะละวิปลาสในโลกที่ถูกวิบัติชนิดต่างๆกำจัดเสียได้เชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอักเขยนิมิตคือประกอบแล้วด้วยสมบัติทั้งหลายที่ทเกิดแล้วจากการกาหนรู้สิ่งที่จะต้องกล่าวถึงคือหมายความว่าพระอรหันต์เนี่ยนะครับละวิปลาสทุกชนิดในโลกนี้นะละหมดแล้วในวิปลาสทั้งหลายแล เพราะฉะนั้นท่านพอท่านละวิปลาสได้ทั้งหมดนะครับท่านก็เข้าถึงสมบัติทั้งหลายวิชาสามอภินญยัตปฏิสัมพิทาสี่เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้วิปลาสคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดถือผิดอะไรในในสังขารทั้งหลายเลยนะครับที่เป็นไปในภูมิสามทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นนะครับบดว่าสังขายาเสวีความว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาคือใครครวน แล้วจึงเสพปัจใจมีจีวรเป็นต้นเพราะความภายบู์แห่งปัญญานะครับหมายความว่าถ้าเสพจีวรทุกอย่างนะครับใช้ปัจใจสี่ปั จ, จเวกหมดเลยนะครับถ้าเป็นผ้าอาหารและสติท่านบริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆอันหนึ่งเป็นผู้มีปกติพิจารณาอารมณ์แม้ทุกอย่างที่มาสู่คลองซ่องเสพอยู่ด้วยสามารถแห่งฉลังคู่เปราเพราะเป็นผู้มีธรรมะอ น, นับได้แล้ว ท่านเห็นอารมณ์ไรนะท่านพิจารณาทุกอารมณ์เลยว่า ง, งั้นนะถ้าจบเลยนะพิจารณาได้ทุกอารมณ์นะครับบทว่าธรร ม, มัทโธเป็นผู้ดํารงอยู่แล้วในอาเซกขธรรมคือดํารงอยู่ในอรหัตผลหรือดํารงอยู่แล้วในนิพพานธรร ม, มัโธนี่เป็นชื่อของอรหัตผลและนิพพานบทว่าเวทะคูผู้ถึงฝั่งเวสคือคือหมายถึงว่าถึงฝั่งแห่งอริยสัจสีที่จะพึงรู้ผู้มีคุณธรรมอย่างนี้เป็นพระอรหรันย่อมไม่ชื่อว่า เข้าถึงการนับว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเพราะไม่มีพบใหม่ในบรรดาพบทั้งหลายพบในไหนอีกต่อไปคือถึงความเป็นผู้หาบัญญัติไม่ได้เลยนะครับไม่มีบัญญัติแล้วเพราะฉะนั้นสูตรนี้จบลงที่อนุปาธาปรินิพันธ์นะครับเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อความในอัตถสูตรก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เท่านี้